เขาก็ออกไปนั่งไม่เห็นตัวนะออกไปนั่งไม่เห็นตัวนะพอนาทีดึงคอเสื้อเลยดึงขึ้นมาเลยก็เผยด่าอะไรอ่าตะลีพอตอนเช้ามากราบพระวัดวิ่งมาส่งเลยปั๊บ ตะเกียงก็เลยบอกขอบใจนะที่มาส่งนะท่านเหนื่อยก็กลับไปซะกลับไปพ่อแกฝึกกับหลวงปู่หลวงปู่ พอไปเสร็จไปพักวัดลางๆพระเมมิหลังเสร็จแล้วล่ะหลวงปู่ชาปลูกนะมุ้งน่ะมุ้งขาดซะด้วยๆน่ะเอ้าเกลี้ยงนอนเด้อเด้อบ่มันคือคักแท้เฮอว่าเออนั่นล่ะกางให้แล้วมุกเอานอนในหรอกนอก เขาเกียงเพิ่นบ่อยออกมาเลยบ่ไปนอนข้างหีบศพทั้งหลุมพุ่นเอิงเสิร์ฟลงผู้ซาเอิ้นเกียงเกียงโดยมันคือไปไกลแท้ล่ะโอ้ยยุงเพิ่นอย่างนอนน้ําก็เลยให้เพิ่นนอนทั้งในบ่ได้ก็ทั้งนอกก็เลยให้เพิ่นเขาดอยผีใต้โหงไหวเอาศาสตร์ไปน้ําผาดกุกผากไผอยู่นํามื้อ หรือนอนเสิร์ชไปเว้ยหลายยุ่งให้พร้อมยุ่งบ่มีจักโตแล้วว่ะไปกับหลวงปู่ซาโอ้ยกบมันก็ยังมี 20 กิโลวาดเจี้ยงน้ํา บอกให้ไม่ใช่ก็เทแล้วไม่ใช่อยู่กาใหญ่นี่หรอกกําปั้นทุบหลังปุ๊บปั๊บเทอย่าเทนะไม่ได้ฉันนะต้องปูชาเดินไปสักหน่อยน้ําหันหน้าเข้าพุ่มไม้ก็เหยี่ยวนี่น้ําเหล่าน้ําเหล่า ดูมันโกหกเราดีเห็นเห็นความไม่เที่ยงมั้ยฮะน้ํานี่แหละลองบ้วนมาใส่มือแล้วต้อยคืนดูสิฉันได้กึกๆๆเอาไม่ฝึก ให้เห็นความไม่เที่ยงให้เห็นเด้อมาทักตะเกี้ยงก็หลวงแก้วแล้วก็หันหน้าเข้าพุ่มไม้ก็เหยี่ยวจอกจอกๆปั๊กว่าหน๋าหญิงว่าเป็นหน้าเม้นคือกันนี่ตั๋วว่าซั่นใส่ก็สอนไปหลวงปู่ชาสอนไปนี้ สมาธิแกก็เก่งห้วยแม่นดิซั่นนี่ชาวบ้านมาถามพ่อใหญ่พ่อใหญ่หลวงปู่เพิ่นบอกเบอร์อยู่บ่โอ้ยเพิ่นบ่บอกหรอกเบอร์พ่อใหญ่บ่ฮู้แน่บ่โอ้ยสิฮู้จังได๋เบอร์จะไปหยังเบอร์บ่เล่นดอกเบอร์เล่นบ่ <c ười> ผู้ใหญ่เกี้ยงก็จับห่ามาให้มากก็พันก่มๆคอนี่นกบ่เห็นเล่นเบอร์นี่มันเฮ็ดทางจังซี่ตัวมันก็มาจอดจาดต่อแต้เฒ่าพี่บ้านน่ะก็หึนกก็ 1 ก่มๆนาบ่ได้บอกเพิ่นแต่ว่านกซื่อๆค้อนไปเชื่อเอามัน เมื่อล้างมาเขานําบ่อีกผู้ใหญ่เพิ่นบ่บอกบ่บอกหรอกเพิ่นยังว่าเพิ่นบ่บอกโอ้ยอยากถึกเบิ้ลอยากได้เงินแหนมันถูกมันยากอยากได้เงินก็เอาซะดีล่ะนี่เขาทานว่านี่ 45 บาทก็โจกระเป๋าให้นี่พออยากได้ เล่าเก่งหลวงปู่สอนไปสอนมาบาดนี้สิบวชหลวงปู่ซาว่าบ่ให้บวชดอก เขาระวัชทูให้ได้เต็มบาดแน่เด้อระวัชท่านหลวงปู่ซาละทะทูอย่าให้มันได้หยังเด้อระวัชท่านพ่อใหญ่เกี้ยงว่าคันบ่อยากได้หยังก็ไปบินในป่าผู้ดีมันถึงสิบ่ได้ว่าท่านเพิ่นก็ขัดมันแน่ล่ะวุ้ยเพิ่นว่ามันอยากมัน ก็ได้ก็เอาซะสู่ใหม่รุ่นใหม่ศึกษาใหม่ลองเบิ่ง บางคนโยมบางคนก็มาวัดก็ยังไม่ฮะ พอกไปหน้าวัดชนมาไอ้ชิบหายอ่ะหมดเลยบุญบุญไม่ได้อยู่ที่วัด ทำมะงึกกับดีแล้วจะให้ลูกดีจะเป็นดีได้ๆแต่นี่ก็สอน อ่ะเต้นหน่อยลูกลูกเอาเต้นลูกอ่ะทึ่งอ่ะนะลูกนะเอากราบอรหังพร้อมกับแม่ลูก ไอ้นั่นเก็บเป้าปุ้นขึ้นลูกเอ้าชอบเหลือเกินสิ่งเหล่านั้นปลูกฝังลูกได้ตื่นสายหน่อยตื่นแล้วไม่ตื่นหน่อยลูกนอนซ้าย ยุบหนอพองหนอก็แหละนั่นคือสติบางแห่งไปงานปฏิบัติธรรมนะ 8 ตั้งแต่ 18:00 น. 8, 8. อะไรวะก็นี่หมอนไป ก็โอวันตินมาดิกาแฟมาดิมันพิษสินแล้วน่ะอ่ะอันนี้พอโอวันตินทุกเทศเสร็จการองค์แรกก็ชั่วโมงนึงก็โอวันตินเอ้า เตรียมตัวลุกขึ้นพระพี่เหลียงยืนหนอเดินหนอไม่ถูกเราสบายอย่างนั้น เออต้องฝึกให้นั่นกลับไปบ้านก็ให้เป็นบุญจะคิดว่ามาวัดได้บุญนะอยู่บ้านปฏิบัติดีกับพ่อแม่เราก็หายาย หมดเลยบุญตะนี้เลิกด่าซะนะพ่อโกได้ลูกชายพีรายไอ้ เมื่อกี้เล่าแต่เรื่องเรื่องเล่ากับเรื่องแต่พระ แกงแกงเผ็ดก็สู้ฉันไม่ได้จืดซะแหมจมูกบานจ้าเอออร่อยดีนะลูกจ๋า ทีนี้เราจะได้เป็นเอกเทศมาวัดมั่งสลัดไปมั่งอย่าไปห่วงเค้ามากนัก พูดให้มันพระคิดดีทำดีแล้วก็ใจดีนั่นแหละบุญอยู่ตรงนั้นอืมปฏิบัติพ่อกับแม่ปู่ย่าตายายให้ดีนั่นคือดู เอาแตงหมูลูกก็ 3 กิโลน่ะมามัดท้องเองดูขี้ก็ขี้ด้วยนะนอนก็นอนด้วยนะอย่าแก่ออกนาสัก 9 วันยาวถึง 9 เดือนเลยมันหนักขนาดไหนมึเทียงใต้ห่าอะไรนี่ลองสอนมันดูนะว่าแตงหมูลูกก็ 3 กิโลมามัดทํา ถ้าอยากให้ลูกตายเร็วกรุณาซื้อมอเตอร์ไซค์ให้เลยนะตายเร็วมากในเดี๋ยวจริงๆนะเดี๋ยวนี้ลองทดสอบ 2 อาทิตย์ 100 กว่า 120 ต่อไปคนนี่อันตราย แล้วก็อนาคตของชาติสอนลูกให้รู้จักเข้าวัดหนุ่มพ่อเข้าก่อนเดี๋ยวนี้ก็ขาหักขาเป ที่หนังละตาเหลือกใช่ปฟังเทศน์อาเสียงเหลือเกินบอกควยแม่น 2:00 ก็คอยนะเออบางคนน่ะนะเออแต่นี้พ่อกับ เราเคยเถียงเคยเถียงดีพระพุทธเจ้าท่านตัดว่าทํากับพระอรหันต์ก็มีไอ้หมอบ้านเจ้า ไม่มีครับไม่มีใครบวชครับมีไม่มีครับผมไม่เห็นมีใครๆตอนนี้เราท่านบางครั้งอ่ะ ใครจะมาจริงใจเท่ากับพ่อกับแม่เราไม่มีเลยแสดงความจริงใจกับเราในเมื่อเราเวลาเรา แต่เวลาอาบให้ลูกอาบทั้งตัวนะเช็ดให้ดีทาแป้งหอมแล้วหอมอีกเอ้าให้ลูกน่ารักเหลือเกินเอาเดินนะลูกนะแต่เวลาอาบให้แม่เทใส่เต็มมือเอ้านะแม่เคยเถียงก็ เราอยากมีความเจริญรุ่งเรืองในการค้าการทํามาหากินแล้วก็เอาดอกไม้บูชาท่านดอกบัว 10 ดอกหรือดอกขันเร 5 นี่ขอขมาลาโทษท่านพาน้อง สาธุพ่อกับแม่พูดเป็นพรของลูกลูกผิด เธอรู้ได้ทํามาดีแล้วพ่อให้อภัยมาขอที่ที่ลูกกรรมบันดาลที่ลูกได้ทําผิดพู๊ยหมดเลยยิ่งแม่ยิ่งเจ้า แม่คะหนูหมดนะกรรมใดที่ลูกเป็นแม่ขอพายมาเชื่อลองทําดูนะแล้วอ่ะตะ อภิปรายกันจะถามอะไรก็ทางพระทั้งคัลวาฬนิมนต์นะโผล่มาเลยพูดมาเลยอ่ะตักแป๊แป๊แป๊ที่ในข้อที่ว่าอันกันต้องอภัตปฏิติตีมาคอคือสอนพร้อมกันเลยสิแย่งกัน แล้วเวลานั่งสมาธิจะมีความรู้สึกว่า <c oughs> <c oughs> มีสติมั่นคงอย่างนั้นเราก็จะไม่อ้าวสมณเณรก็สมณเณรนี่ครับ <c oughs> ที่วัดประโพงนะแค่นอนหยอกกันเฉยๆแล้วก็ไล่ตึกล่ะหลานหลวง 227 เหมือนเราเบอร์ ท่านอาจารย์สมมุติว่าผมจะไปศึกษาปฏิบัติอยู่จะต้องปฏิบัติตัวเตรียมตัวอย่างไรบ้างครับคือการปฏิบัติไปวันอุปโภค ท่านก็ให้อยู่ด้วยก็ให้อยู่ด้วยแต่ไม่ให้ร่วมปฏิโมกแค่นั้นคือฝึก การตัดซ่วมรถต้นไม้พาเนนตะคือสภาพสิ่งแวดล้อมป่ามันๆท่านทําได้อืมขอบคุณมากครับตอนพอ 20 พรรษาแกกับ ก็ต้องใช้เวลาหน่อยบางองค์เป็นมหาไปเหมือนอย่างหลวงพ่อเจ้าวันเพราะหลวงพ่อเลี่ยมท่านเค้าถวายเงินท่านท่านก็รับ ก็รับขโมยคณะเปลี่ยนผ้าให้สิ่งของเก่าๆในตัวสลัดออกหมดเลยทีนี้จะเย็บผ้าจีวรอะไรให้มี เข้าบริวาสกรรมไหมครับไม่มีครับมีแต่งานปฏิบัติ 6 7 รูปไป ที่ไปเก็บมนัสอะไรอยู่ที่นั่นเพราะเศษศัพท์ก็กรรมวัด เรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรเสร็จแล้วก็ส่งไปหมดแล้ว ลองบวชอย่างจูงพ่อจูงแม่น่ะดีไม่ใช่ว่าตายแล้วค่อยมาบวชนะคนคนเราไม่รู้นะประชาชนคนไทยเราก็ตาย ห่วงเวลาจะตายก็เป็นอันนั้นตามสภาพของจิตเขาเวลาจะตายไม่ใช่ ส่วนให้คนเป็นฟังนะไม่ได้ส่วนให้คนตายขอบพระคุณอ๋ออาจารย์ครับผมไม่เข้าใจในเรื่องสมอนี่บํานี่พลานนี่ต้องป่วยนะเส้น ถ้าป่วยไม่หายนี่ถ้าท้องถู่นี่จะหายากก็ต้องสวนนี่พระเราพระพุทธเจ้าท่านฉลาดฉันจะดองนี้อาจารย์สุเมโธเนี่ยก็เจอ กินเยี่ยวไม่มีนะแล้วรสกลมๆดีด้วยไม่เค็มไม่เชื่อ อไลดีฉันไปฉันมา 10 เมตรโอ๋ทำไมฉันเยอะมันอร่อยระวังเถอะพอ 4-5 00 น. ลมสูงตีลมเบื้องต่ำแล้วอื้ออ่าอื้ออ่ามาทีนี้ 5-6 ครั้งตื่นเช้ามาไปบินธบัด พอเข้ามาเสร็จมาถึงวัดบางบาทได้ก็วิ่ง 6 ครั้งแล้วนั่นแหละฉัน ฉันมากเกินไปมันก็ถ่ายมากพอไม่รู้เลยบัลลังก์ก็เอาไม่กล้าเอามากนะพระหลวงเนี่ยอย่าดองในน้ํามูดเนาไม่เคยหลายๆอย่าง บางทีคนไปคอยจับเอาหวยกับท่านเยอะดูฤกบ้างครับถ้าปุถุชนก็